จเจริญพนะวันนี้ก็เป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาะนเป็นวันที่รอบรอบระเวียนมาถึงซึ่งวันอาสารหะปุรณมีบูชานะอาสารหะก็แปลว่าออ8อาสาธหรมาตแปลว่าเดือน8หรนือเพนเดือน8นะซึ่งเป็นวันที่ องสมเด็จพระสัสดามาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเดินทางจากเมืองขยานะไปที่เมืองพระรันสีไปพบพระปัญจวัคคีย์ที่เจ้าคณิสถุปพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้ายังไม่แน่ใจนะยังเข้าใจผิดอยู่เข้าใจว่าพระเจ้านะคงจะมาหา ผู้ที่จะมาอุปถากดูแลรับใชนะ้จึงได้หลีกหนีไปเข้าไปสู่ป่าอีสีปัตนมะมเลคขทัยวันก็แปลว่าป่านั้นเป็นป่ า, าที่มีกวางมีเนื้อเป็นที่บำเพ็ญของฤาษีของนักปฏิบัติอยู่ในป่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงพระดำเนินตามไปที่ ปายศิตนะมรุกขทายวันเมื่อพระองค์ได้ไปถึงแล้วพระบรรยปคีทั้งห้านี้ก็ได้นัดแนะกันว่านะเห็นพระพุทธเจ้ามาแต่ไกลก็นัดกันว่าถ้ามาแล้วนะพระองค์อยากจะนั่งก็ให้นั่งนั่งได้ก็คือยังมีมารยาทเลยเคยสร้างบารมีมากรุพุทธเจ้ามานานแล้วนะถ้าเกิดท่านมาแล้วเนี่ย ท่านจะนั่งก็ให้ท่านนั่งได้แต่ก็จะไม่มีการไหว้จะไม่มีการลุกลับนะไปรับบริขารต่างๆนะแล้วเมื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วก็นัดกันไว้อย่างนั้นยังมีความกระด้างกระเดืองอยู่นะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ลืมสัญญากันนะก็ไปส่งรับก็ได้ไปรับบริขารของพระพุทธเจ้าของเรานะแต่ว่ายังไม่ไหว ยังไม่กาบยังไม่ไหวนะยังมีทิฏฐิมรณะอยู่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระงค์ได้ทรมานพระวรากายมาหกปีเพื่อจะหาทางที่จะพ้นทุกข์ตามการนับถือในสมัยนั้นพวกฤษีต่างๆจะบะเพนตบะเพื่อเข้าสู่ฌานสมาบัติเพื่อที่จะให้กิเลสหมดไปก็มีวัดปฏิบัติต่างๆ พระเจ้าบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำตรงคัสรีมีการกั้นลมหายใจนะกำมือเอาเล่นกดเพดานอดภักยอาหารลองคิดดูที่ว่าเราอดข้าวสักมื้อหนึ่งก็มีทุกข์ขนาดไหนนะเราไม่ได้ทานรับปทานข้าวสักวันหนึ่งเราก็ทุกข์มากนะสวันเจ็วันก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี้พระเจ้านี่ ไม่สวยพระกาหารเรียกว่ามีแต่หนังที่จะหุ้มกระดูกอยู่เอาแต่ไปรตรงที่ท้องนี่ก็ถึงหลังเลยนะพร้อมขนาดนั้นเมตนามากสรุปไปถึงสามครั้งนะยังไม่ตายนะเพราะว่าเป็นชาติสุดท้ายที่พระ อ, องค์จะต้องตรัสรู้นี่ยังไงก็ไม่ตายอันนี้พระพุทธเจ้าทรมานพระองค์ขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ได้บรรลุ จึงทรงดำริคิดว่าคงจะไม่ใช่หนทางนะการทรมานตนเพื่อให้บรรลุเนี่ยหลุดพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดคงไม่ใช่วิธีการนี้พิจารณาแล้วกลับมาสเสวยวัคกยาหารนะแล้วก็ในช่วงนี้เองเ่พระปัญจวคีรีก็หลีกหนีจากพระเจ้าไปสู่ไปี่ปตนะมรุกขทายวันนะ ก็ก่อนที่จะบรรพินเดิน6กนั่นแหละในพระพุทธเจ้าเมื่อกลับมาสวดวิปัสสหานก็มีกําลังขึ้นมานะมีกําลังกายขึ้นมาแล้วนะจนว่าเดินทางไปบ้านนางสุชดาดนั่นแหละช่วงนี้แสดงว่ากําลังของพระพุทธเจ้ามีมามากแล้วมามากแล้วมีกําลังมากพระพระองค์ น, นั่งอยู่ใต้ต้นไทรนางสุชาดามาเห็นแล้วจะนําอาหารซึ่งเป็น ข้าวมัททุกปายาตมาบูชาเทวดารา น, นี้สาวรับใช้ก็เห็นพระพุทธเจ้าเราเป็นเทวดานะอยู่ใต้ต้นไทรนั้นนะ่ะลุ่งเรืองมากเลยมีแสงสว่างออกจากร่างกายด้วยผ่องใสามากมผิวพรรณวั น, ว น, นะของพระพุทธเจ้าของเรานางจึงได้มาถวายข้าวมัททุกปายาตนะเป็นการที่ได้เคยบ่นบานไว้กับเทวดานะเพราะอย่างนั้นเมื่อนางมีลูกแล้ว กลับมาก็มาทำการแก้บนมาพระพุทธเจ้าได้เสวยข้าวมธุปายาตนะสี่ก้อนพระองค์ก็เดินมาที่แม่น้ำเนรัญชาลานะตรงนี้เป็นอดิศฐานะบา ร, รมีแลเนี่ยนะลอยถาทองคำปรากฏว่าถาทองคำนี้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปแล้วก็ตกลงจมลงไป สู่เมืองบาดาลนพระพุทธเจ้าอธิฐานว่าถ้าพระองค์จะสำเร็จเนี่ยนะก็ขอให้ฐาดเนี่ยลอยทวนกระแสน้ำไปเนะพราะเริ่มมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมแล้วเดินข้ามแม่น้ำในรัญชลามานะยังยังพอข้ามได้ถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียเห่นว่าแม่น้ำในรัญชลานะในเดือนหกนั้นยังแห้งอยู่ยังมีน้าที่ยังเดินข้ามได้อยู่เมื่อ พระ อ, องค์เดินเข้าไปสู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งต้นของพระศีมหาโพนะ่ะเมืองขยายนะั่นแหะเข้าไปที่ใต้ต้นพระศีมหาโพนั่งสมาธินะพิจารณาดูลมให้ใจเข้าลมหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะสมัยที่พระ อ, องค์ได้เป็นพระกุมารอยู่อายุเจ็ดขวบนั่งสมาธิใต้ต้นว่าจเจริญในอานาปานสติกรรมฐาน เข้าสู่ปฐมฌานได้นั่นในสมัยนั้นพระองค์ก็ทรงระลึกไปว่าอาจจะเป็นวิธีการนี้ที่พระองค์เคยทําสมาธิมาแล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยนะพระองค์ก็ได้ฌานสมบัตินะฌาน4ี่สมบัติ8นี้ได้แล้วเรียนรู้จักอารระดาบทกับท่านอุทกดาบุตรมาแล้วเมื่อพระองค์ได้เจริญในสมาธิในนาปานสติ เข้าสู่สมาธิเต็มฐานเมื่อถอยออกมาแล้วก็ทรงระลึกชาติทุนหลังได้ได้บุพเพนิวาสานุสติญาณรู้จักว่าชาติที่แล้วนั้นเคยเกิดเป็นอะไรหนึ่งชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติ1มื่นชาติแสนชาติ0้านชาติแล้วก็ระลึกย้อนไปไม่มีกำหนดก็มีพบมีชาติตลอดมาเป็นเครื่องยืนยันได้แล้วว่าคนเหล่านั้นมีการเวียนว่ายตายเกิดจริง มีการเวียนว่ายตายเกิดจริงพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงระลึกในชาติก่อนๆมาได้แล้วรู้จักละต่อมาอีกพระองค์เข้าสมาธิอีกละถอยมาจากสมาธินั่นก็ได้ยะถากรรมุตตยานคือยานที่รู้จักว่าคนเราเนี่ยเกิดมามีบุญมีบาปตกแต่งมาแตกต่างกันไปเพราะกรรมอะไร มนุษย์ทำไมไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมาเกิดมาเป็นมนุษย์เริ่ดไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาลงมาเป็นมนุษย์เนี่ยกรรมอะไรที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเพราบางทีเราเห็นว่าเรามีความทุกข์บางอย่างในใจเราก็เออเราเป็นอะไรเราทําไมได้รับความทุกข์อย่างนี้ทําไมเราจะต้องพัดภาคจากของรักด้วยเออบางอย่างเราทําดีแต่ทําไมว่าความดีไม่ให้ผล ต่างๆเนี่ยมันจะเฉลยได้ในเรื่องของกรรมนะเรื่องของกรรมในวิยธากรรมุตายานยานที่รู้จากเรื่องของกรรมให้อย่างดีให้ผลเรื่องของบุญของบาปต่างๆนี่นะ่ชัดเจนเลยนะ่าจิตใจนะ่าแก้ไขได้ความสงสัยในเรื่องกรรมนี่ก็ไม่มีหมดเออหมดไปนี่เป็นเป็นยานที่สอง จะสำคัญว่าต่อมาเป็นยานที่สนี้นะอาสวะขยญาญ ย, ยานที่3พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าทุกทั้งหลายที่มนุษย์ทั้งหลายได้รับกันเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยนั้นะแล้วทุกนี้ก็เป็นทุกอริยสัจนะเป็นทุกอริยสัจนะที่เราบอกว่าอริยสัจสนะนะนะนั่นแหละนึ่ทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรณะทุกอริยสัจเนี่ย เป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นทุกประเป็นอย่างนี้ควรกําหนดรู้พระริจ้าก็กําหนดรู้ได้แหละในความทุกข์นี่เราคงจะทราบคนเนี้ยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจปัทนาสิ่งใดเสื่อ ง, งไม่ได้ก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดภาคจากกันไปก็เป็นทุกข์สรุปแล้วก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่ น, นในขันห้านี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุก คือตัณหาท่านก็ทราบว่ากรรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาตัณหาสามนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้ายังมีเหตุอยู่ความทุกข์ก็เกิดเหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่ทุกข์ก็เกิด ถ, ถ้าเหตุให้ทุกข์ถ้าเหตุที่ทุกข์เกิดเนี่ไม่มีแล้วทุกข์ก็จะดับไปนะถ้าเรายังมีเหตุอยู่ มีปัจจัยอยู่ที่ใช้ทุกเกิดทุกเขาก็เกิดขึ้นมานนพระพุทธเจ้าก็ทราบทราบเรื่องอย่างนี้ได้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์เนี่ยพิจารณานี่ก็เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าทุกเนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดนะแล้วก็สมุทัย นะเป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะเรียกว่าสมุทยัยเป็นเหตุทุกข์เกิดขึ้นมาจะทํำยังไงละจะให้สมุทัยเนี่ยมันจะดับไปออจะทํำยังไงสมุทัยนี้จะดับไปได้นะสมุทัยจะดับไปได้เนี่ยจะต้องมีการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคหรือว่าอริยมรรคมีองค์8นะอริยมรรคมีองค์แปดศีลธรรธิปัญญานี่ สิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นจึงเป็นหนทางที่ประเสริฐนะที่คนเราอ่ะปฏิบัติแล้วจะพ้นจากความทุกข์แต่ว่าตัวอวิชชาตันหาอุปทานเนี่ยนะเมื่อมันมีกําลังมากแล้วตัวมรรคกือสิ้นสมาธิปัญญามันก็มีกําลังอ่อนไปนะมันเป็นอย่างนี้ในใจของเราก็จะมีการต่อสู้กันรนะนะหว่างมรรคกับกิเลส ถ้าเกิดว่าศีลสมาธิปัญญามันมีกำลังมากก็เอาชนะกิเลสได้นะเมื่อชนะกิเลสได้ตัณหาไม่เกิดทุกข์ก็ไม่มีถ้าศีลสมาธิปัญญาบางครั้งมีกำลังอ่อนลงไปมีอ่อนลงไปแล้วจะทำยังไงละ่ะเมื่ออ่อนลงไปนะกิเลสมันก็เกิดขึ้นมาได้กิเลสเกิดขึ้นมาได้ทุกข์มันก็มีขึ้นมานิโรธก็ไม่เกิด เพรนถ้าเรามีกําลังของศีลธ ร, รมที่ปัญญามากก็สามารถอาชนะกิเลสได้จิตก็ว่างนะจิตของเราว่างได้โชกคราวก็เป็นนิพพานโชกข่าวมีความเย็นใจเย็นกายถ้าเรามีสติปัญญามากขึ้นใจของเราก็ว่างมากขึ้นนะก็เป็นนิพพานมากขึ้นในใจของเรานี้นะในใจตรงนี้แหละนะเราจะเห็นเทวดา ก็ใจดวงนี้เองเราจะเป็นผมก็ใจดวงนี้เราจะเห็นธรรมะก็ใจตรงนี้เราเห็นนิพพานก็ใจดวงนี้แหละตาใจของเรามันเล่าร้อนมากๆก็เป็นใจที่อยู่ในนรกภูมิอยู่ในปัจจุบันนี้แหละสำคัญบางทีมนุษย์ก็อยากจะเห็นเทวดาเป็นอย่างไรออมีความสุขอย่างไรก็ดูในใจของเราเนี่ยตาใจของเราเนี่ย มีทานมีศีลมีภาวนามีความสุขมีความสงบอิ่มใจก็เป็นใจของเทวดาเนี่ยนะใจเทวดามีทานมีศีลอย่างนี้เป็นต้นนะพระพุทธเจ้าเนี่ยในคืนวิสาขะปุรณมีนี่พระองค์พิจารณาในอริยสัจสีเนี่ยแหละเห็นแจ้งแล้วบรรลุนะบรรลุธรรมแล้วจิต ใ, ใจพระองค์ก็หมดจากกิเล็ตยังเกิดพระบริสุทธิคุณ ภาพปัญญาคุณเกนะิดขึ้น ใ, นใต้ต้นพระศีหมหาโพธิ์นันะ่นะเมืนะ่อพระองค์ตรัสรู้แล้วก็ดำริที่จะสอนดริที่จะสอนก็คิดถึงท่านอาราะดาบดทุกกะดาบดอาจารย์ทั้งสองปรากฏว่าอาจารย์ทั้งสองนั้นไปเสวยความสุขอยู่ในพรมโลกแล้วนะแล้วก็ไม่สนใจที่จะรับรู้เรื่องราวอะไรทั้งนั้น นะในสาคุณจักรวาลเห็นว่าจิตที่ดิ่งอยู่ในความสงบนี้อย่างเดียวเป็นความสุขที่สุดหรือเป็นนิพพานนั่นแหละค้นคว้าแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่รับรู้ไม่สนใจที่จะนะสื่อสารกับใครพระพุทธเจ้าคระพุทัดว่าโอ้อาจารย์ทั้งสองนะี้เสียหายซะแล้วจากคุณงามความดี ที่าอาจารย์ทั้งสองเนี่ยยังมีชีวิตยอยู่หรือรับรู้ได้พระพุทธเจ้าเนะนีแนะนิดเดียวนะสมาธิของอาจารย์ทั้งสองพร้อมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยนะจะบรรลุนิพพานได้ละก็ไม่มีโอกาสพระองค์พระพุทธเจ้าเราก็เสวยวิมุตติสุขอยู่เนี่ยนะถึง49วันมันะมีความสุขมากทีเดียวในวิมุตติสุขนั้น ม, มีความทุกข์อะไรเจือปนแนหะต่อมาพระองค์ก็ดำาิทธิ์ถึงพระปัญญวคีนะว่าพระปัญญวคีนี้มาดูแลพระองค์นานมานานแล้วตอนนี้ก็เห็นว่าท่านพระัญญาโกธัญญานั้นกับพระปัญญวคีทั้งหมดนั่นแหละเข้าขา่าในการที่จะสามารถรู้ธรรมได้หรือบรรลุธรรมได้นะก็เป็นว่าเท้ามหาพรหมมาอารตนาให้พระเจ้า แสดงธรรมจึงมีการพรมมาเจโลกาอยู่ทุกวันเนี้ยนะก็คือใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นพรมนี่นแหละที่มีความเมตตานะนะพระองค์ก็ทรงดำเนินนะดำเนินจากพุทธคยานะไปเมืองพารณนสีใช้เวลา11วัน200ประมาณ230กิโลนะนะพระองค์ทรงดำเนินไปนะได้ความ มีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาในสุทานที่ประมาณไม่ได้เราไปนั่งรถประเทศอินเดียขยาไปพาณสีเจ็ดชั่วโมงก็รู้สึกว่ามานานนะพระพุทธเจ้าทรงดำเนินถึงส1บวันอืมั้ส1บวันเมื่อไปพบกับพระปัญญวัคีพระปัญญะัคีก็หนีไปอยู่ปลาอิสิปาตนาอีกแล้วนะพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าจะเกิดประโยชน์พระองค์ตามไปอีก ตามไปที่จะไปสอนนะตอนนี้เมื่อพระ อ, องค์นั่งเรียบร้อยแล้วก็กล่าวมัทรถถวดวัจาและเห็นพระปัญญวะวคีนี้ยังกระด้างกระเดืองอยู่พระ อ, องค์ก็บอกว่าพระ อ, องค์นะ่ะได้ตรัสรู้แล้วนะได้ตรัสรู้อนุตตรสมัมมาสัมพทธิญาณแล้วนคะํคำนี้เธอเคยได้ยินไหมเนี่ย เห็นไหมว่าเรื่องของสัจจวาจาหรือวาจาที่เป็นจริงเนี่ยนะเขาก็ถือกันมากเนี่ยเป็นศีลเมื่อพระพุทธเจ้าตัดเช่นนี้เนี่นะว่าวาจาเนี่ยคำนี้เธอได้ยินไหมเท่านั้นเองพระปัญจพคีนี้รักษาศีลมานานจเจริญสมาธิมานับพบนับชาติไม่ถดแล้วเหมือนกัน เราที่จะมาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าในชุดแรกก็ปรึกษากันมาเออพระสมณะโคดมเนี่ยยังไม่เคยได้พูดอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อท่านได้พูดอย่างนี้แล้วเราก็ลองฟังดูสักก่อนว่าท่านจะสอนเรื่องอะไรเห็นไหมว่าผู้มีปัญญาผูนะ้มีปัญญารับฟังรับฟังก่อน นะับฟังก่อนว่าท่านจะพูดเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องที่น่าฟังเราก็จะได้พิจารณาออแต่ถ้าเกิดพูดเรื่องที่มันไม่น่าจะฟังเลยเราก็ไม่ต้องฟังก็ได้ก็นัดแนะกันเรียบร้อยฉะนั้นก็ตั้งใจฟังแต่ด้วยบา ร, รมีของท่านพระอัญญาโกธัญะหรือโกธัญะพรามอ่ะนะหนึ่งในพระปัญญวกวิคีและเป็นหัวหน้ามีวาสนาบา ร, รมีเต็ม ซึ่งก็มีประวัติว่าสมัยพระเจ้าสุโธธนะนิมนพรามร้อยแปดเข้าไปในวังถวายอาหารนั่นแหละก็ไปทรงให้ไปทํานายนะเจ้าชายน้อยสิทธัตถะราชกุมารพรามร้อยเจดคนนั่นแหละทํานายไปสองนายเพราะว่าคงจะเก่งใจพระเจ้าสุโธธนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ในทํานายว่า ถ้าเกิดว่าครองราชนะเจ้าชายสิทธัตถานี้จะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชแล้วจะเป็นศาสดาเอกของโลกอือาจจะรู้แล้วก็ได้แต่ว่าไม่กล้าที่จะทํานายไปอย่างเดียวนะแต่ถ้าพระอัญญาโกธัญะโกธัญะพรามนะตอนนั้นอะทํานายอย่างเดียวเลยกล้าหาญมากเป็นพราหมณ์หนุ่มด้วยว่าเจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารนี้อย่างไรก็ต้องออกบวชแน่นอนจะ เป็นศาสดาเอกของโลกนะเมื่อได้ยินข่าวว่าเจ้าชายธิรธานัชชุคมานาทรงออกบทแล้วก็ติดตามมานะใช้เวลาติดตามมานานเฉนะพาะชาติสุดท้ายของท่านท่านยังติดตามมานานบำเพ็ญกรรมาฐานมานานออแล้วก็บำเพ็ญศีลมาตั้งแต่ว่าเป็นพรามใช่ไหมเป็นพรามตั้งแต่เล็กๆขึ้นมานะศึกษาเรียนพระเวทก็บำเพ็ญในศีลบารมีมาแล้ว ทำสมาธิมาหลายปีแล้วนะนะแล้วก็ติดตามพระพุทธเจ้าอีกก็บาเพ็ญสมาธิอีกอะ่ะนะพิจารณาธรรมะแต่ว่ามันยังไม่เด็ดเด็ดขาดสักทีหนึง่งนะยังไม่รู้ช่องทางพระพุทธเจ้าก็ตัดขึ้นมาเลยนะสอนนะสอนสอนพระปัญจคีรีทั้ง5แล้วแหละนะไหวยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ แปลเป็นไทยก็ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธนะรรมดาคำว่าธรรมดาเนี่ยนะเป็นคำพูดที่เราพูดกันอยู่เสมอๆนะว่าธรรมดาธรรมดานีนะ่ก็เป็นธรรมะอมกัดนะธรรมะที่เดียวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นเรื่องธรรมดานะหรือแบบเป็นธรรมดา สิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจของมนุษย์เราเนี่ยเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วนะก็ไม่เห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นเรื่องที่มันดีใจนะสุขใจจิตใจหลงไปไม่เห็นเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งทั้งหมดนั้นมีความดับไปใจของเราก็ไม่เป็นธรรมดาอีกแล้วไม่เห็นความเป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้นใจของเราก็มีความเสียใจ ตรงนี้เองรู้ว่าใจของเราเป็นโลกนะใจของเราเป็นโลกหรือว่าใจของเรามันหลงไปในโลกมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าท่านพระญญาโกธัญญาฟังธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับไปนะตรงนี้รู้ชัดเลยนะธรรมะจากคุอันเกิดขึ้นมาแล้วในใจเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นมาแก่ท่านพระโกธัญญะแล้วเห็นชัด ว่ารูปน้ำเนะี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แ้ะกระดับไปตรงนี้เองนะสักกายทิฏฐิวิจิกิชฉาสรีรพตประมาตถูกทำลายลงเรียกว่าอนุสัยกิเลสสังโยชน์เบื้องต้นอันเป็นด่านแรกนี่มันแน่นหนามากนะว่าตัวเราของเราถูกทำลายลงแล้วเห็นว่า เป็นโลปเป็นนามในโลกนี้มีรูปมีนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะเป็นของสมมติเท่านั้นเองเป็นสมมติบัญญัติวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือเป็นธรรมชาติรูปธรรมชาติก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นของสมมติเท่านั้นร่างกายมนุษย์สัตว์ก็เป็นของสมมติมีความเกิดขึ้นมาแล้ว มีความตั้งอยู่แล้วก็มีความดับไปเป็นธรรมดายอย่างนี้เข้าใจแจ้งชัดพระเจ้าก็เลยเปล่งอุทานว่าอัญญาสิวัตโพโกทัิโยอัญญาสิวัตโพโกธิโยพระอัญญาโกธัญะรู้แล้วหนออัญญาโกธัญะรู้แล้วหนอท่านถึงได้มีชื่อต่อมาว่าพระอัญญาโกธิญะ ซึ่งอธิษฐานบารมีมาว่าขอให้เป็นพระสงค์รูปแรกนะของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งท่านก็ได้มาเป็นพระสงค์รูปแรกนะของพระุทธเจ้าของเราเพราะในวันอาสาฬหปุรณะมีนี้จึงเป็นวันที่ครบรอบนะหพระพุทธเจ้าสองพระธรรมพระเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรก นับไปอีสิปัตนามาลกัายวันนี่แสดงธรรมเป็นครั้งแรกเลยและที่สำคัญกับพระสงเกิดขึ้นมานะครบทั้งพุทธรัตนะธรรมรัตนะแล้วก็สังครัตนนะครบรัตนสามถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียหรือเราได้เคยเห็นในรูปก็เห็นละนะพระเจ้าอโศกมาราชได้สร้างนะธรรมะในคำวัสถูปอยู่ละนะเป็น เจดีใหญ่เลยนะธรรมะนี้เป็นเจดีที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าได้มาแสดงธรรมแล้วก็เกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นในพระพุทธศาสนานะเป็นเครื่องสะกีพยานว่าธรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วนั้นมีจริงเพราะมีพยานคือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมานะเป็นพยานได้แล้วรับธรรมะได้แล้วหรือดวงตาเห็นธรรมแล้ว นะดวงตาเห็นธรรมอันปะสะัสจักทุลีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้หรือพ่อพยายามปฏิบัติมาปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาจะมีลาบมียศส่วเสริญสุขก็ตามนะก็ให้เรารู้ว่าเออนี่เป็นธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาล้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันพัดภาคจากไปอันนี้ก็เป็นธรรมดาอีกนะเราต้องฝึกเอาไว้ฝึกความรู้สึกว่าเป็นธรรมดาธรรมดาเอาไว้เรื่อยๆนะมีอะไรเกิดขึ้นมากับเราก็เป็นธรรมดาอย่างนี้นะเมื่อเรามีความเจ็บไข้แต่ป่วยขึ้นกะ็ ER olha, เป็นธรรมดาสังขารเป็นอย่างนี้มันมีความเสื่อมความสิ้นไปอย่างนี้มีความสุขใจก็บอกว่าธรรมดามีความทุกข์ใจก็บอกว่าเป็นเรื่องของธรรมดาไนะมา่ได้เรื่องที่จะ แปลกแตกต่างอะไรออกไปเลยเออเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่ได้มาหรือไม่เสียใจกับสิ่งที่มันจะเสียไปใจของเราก็มันเป็นปกติใจปกติตรงนี้เนใจเป็นปะพัสสอนปะพัสสังเมื่อเราฝึกมากๆใจของเราก็นิ่งใจของเราก็สงบนะมีสมาธิมีปิติมีความอิ่มใจกับใจเทวดา ใจเห็นอ น, นิจจังทุกครังงนักตาก็ใจของเราก็เป็นพระนะใจของเราก็เป็นพระนะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราเมื่อใจของเราเนี่ยนะเห็นโทษเห็นภัยในวัตรารงสารแล้วก็ให้พยายามพยายามอะไรพยายามละบาปสิ่งที่เป็นบาปเราก็พยายามละสิ่งที่เป็นบุญนั้นก็ให้พยายามบำเพ็ญเอาไว้คันนี้คําว่าบาปเนี่ยนะในชีวิตของคนเรา อาจจะผ่านมีประสบการณ์มาก็เคยทำบาปกันมาก็มีนะทำบาปมากมากก็มีน้อยก็มีเมื่อสติปัญญาของเราอ่อนไปแล้วก็เป็นอย่างนั้นเราก็พิจารณาให้เห็นโทษโอ้อันนี้มันเป็นบาปมันไม่ดีแล้วนะเราจะไม่ลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้ อ, อ, อีกเราก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลเราตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาไว้เป็นการ่าพัฒนาใจเป็นสิ่งที่สาคัญ เราพัฒนาสิ่งข้างนอกแม้จะมีอะไรมากมายยังให้ความสุขที่แท้จริงแก่ใจของเรานีไม่ได้นะเราต้องมานะพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยให้มันจเจริญขึ้นไปถ้าใจของเรามไม่เจริญน ะ, จะเจริญเฉพา ะ, ะสิ่งภายนอกแล้วใจของเรามจะล่มหลงไปได้ยิ่งจะมีความทุกข์ไปมากขึ้นกับเก่เพาพยานต้องมาพัฒนาใจเมื่อวันนี้ก็เป็นวันสําคัญที่มาครบรอบเบียน ม, มาถึงซึ่งวันอาสาณะ ปุรณะบิวบูชาเราคงเข้าใจว่านะเป็นวันอะไรวันที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วครบทั้งสรัตนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในครั้งแรกนะพระธรรมนี้เรียกว่าธรรมาจักกับพวัพุทนสูตรนะสูตรนี้นะจากแห่งธรรมนั้นได้เป็นไปแล้วเรียก ว, ว่าจากแห่งธรรมได้หมุนเกิดขึ้นแล้วได้หมุนเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ธรรมาจักรนั้นยังไม่ได้หยุดนะยังหมุนเรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันนี่แหละ2อ5พัปีแล้วที่พระเจ้าเสด็จดับการไม่นด้า่านแต่ว่าธรรมาจักรของพระเจ้ายังไม่หยุดหมุนนะหมุนไปเรื่อยๆผู้ที่มีวาสนาบา ร, รมีมาฟังธรรมมาปฏิบัติทําตามแล้วก็จะได้รู้ได้เห็นธรรมะได้อย่างน้อยเรารู้จักวิธีการหนทางในการปฏิบัติที่เราจะพ้นทุกข์ได้เ อ, อ มรรบาปเนี่ยมีจริงบุญมีจริงหรือว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละนะก็ย่อเข้ามาก็อยู่ที่ใจนี้แต่ถ้าร่างกายนี้มันแตกดับไปใจก็จะไปไหนละ่ะไปตามสภาวะของกรรมที่ส่งผลไปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขทั้งปัจจุบันนี้นะแล้วก็อนาคตใช่ข้างหน้าเราก็ต้องสร้างความดีไว้ละบาบปบําเพ็ญบุญทําจิตใจ ของเหล่านี้นะให้ผ่องใสนะทําจิตใจของเหล่านี้ให้เบิกบานนะตอนเย็นในวันนี้ก็จะมีการเวียนเทียนประทักสินกันกเราก็จะเวียนเทียนกันด้วยความสงบนะสามรอบเราเลิกถึงว่าเรา ไ, ไปเวียนเทียนอยู่นู่นแหละที่ธรรมะนี่กรสทูบทั้งแหละที่ลักษณะอยู่ประเทศอินเดียนั่นแหะก็เราเลิกว่าพระเจ้าแสดงธรรมที่นั่นเราก็บูชาที่รอบพระอุโบสถของเราสามรอบ ผู้ใดที่มีเด็กมาด้วยก็ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยพยายามให้จิตของเราสงบให้มากเราก็จะได้รู้ได้เห็นในธรรมะนั่นเองเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ให้เราได้พิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาให้เรียนรู้เรื่องธรรมดาเอาไว้นะให้มากที่สุดในจิตใจของเราเนี่ย เธอเห็นสภาวะทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปกะนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรื่อยไปใจของเราก็จะได้รู้ธรรมได้เห็นธรรมได้ประรูุธรรมหรือว่าตกกระแสเข้าสู่ธรรมะเป็นพระโสดาบันบุตรคลนัน่งเช่นท่านพระัญญากโกธัญะในวันที่ท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วการเดียวครั้งเดียวก็ได้ดวงตาเห็นธรรมก็ ข, ขอให้อา น, นิสงส์แห่งการฟังก็ดีการสร้างความดีขอให้พวกเราจงมีความสุข นะความเจริญให้มีสติปัญญาทั้งทางโลกทางธรรมมีความสุขความเจริญพร้อมด้วยอายุวะณะสุขะพรละปฏิภานทนสานสมบัติทุกันทุกท่านเถิน